เราหลายคนในที่นี้คงจะมาที่นี่เป็นครั้งแรกแล้วก็หลายคนก็คงจะมาจากที่ไกลใช้เวลาเดินทางหลายชั่วโมงหลายร้อยกิโลเมตรในการที่จะมาถึงที่นี่มาเพื่ออะไรหลายคนอาจจะปรารถนาความสงบปรารถนาความสุข จริงๆแล้วเนี่ยไอ้ความสงบความสุขก็ดีมันก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยมันอยู่ที่ใจเรานะมันอยู่ที่ใจเราไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนไม่เป็นต้องเดินทางไกลมาถึงนี่ก็ไดนะ้พบได้ที่ใจของเราใจเราอยู่ไหนนะก็พบได้ตรงนั้นไม่ว่าตัวเราจะอยู่ที่บ้าน หรือว่าอยู่ที่สานักงานหรืออยู่บนท้องถนนการที่จะไปแสวงหาที่นอนที่นี่ก็คงจะไม่ช่วยทำให้เราได้พบสิ่งที่เราต้องการอย่างแท้จริงแต่บางครั้งก็จําเป็นนะบางครั้งเราต้องเดินทางไกลบางทีไม่ใช่แค่ข้ามจังหวัดอาจจะต้องข้าม ประเทศครามทวีปเลยถึงจะมาพบความจริงว่าแท้จริงแล้วในความสุขความสงบมันอยู่ที่ใจเรานะมาตั้งแต่อ่อนแต่ออกแล้วมีเรื่องเล่าว่าเนี่ยที่พัทลุงเนี่ยมีคุณลุงคนหนึ่งนะชื่อลุงหมานแกเป็นคนซื่อแล้วเป็นคนที่มีเมตตากรุณาช่วยเหลือเอื้อเฟื้อผู้อื่น เป็นคนไม่โลภแกก็อยู่คนเดียวท่่บ้านก็หลังเล็กแกก็พอใจกับชีวิตของแกที่นั่นแต่ต่อมาระยะหลังเนี่ยมันก็มีเหตุการณ <c oughs> ์แปลกๆเกิดขึ้นกับลุงหมานก็คือว่าแกจะฟันถึงสถานที่หนึ่งบ่อย สถานที่นั้นเนี่ยในฝันก็บอกด้วยนะว่าคืออยู่ที่แก้งเคราะห์ชัยภูมิฝันที่เห็นก็คือเป็นภาพโรงเจแล้วก็มีต้นไทรอยู่ข้างหน้าก็ฝันแล้วนะฝันอยู่วันแล้ววันเล่าโดยเพราะไอ้ต้นต้นต้นไทรเนี่ยจะเห็นเด่นชัดมากทีแรกก็ไม่ได้คิดอะไร ตอนังแกก็เอใจว่าหรือว่าเทวดาจะดนใจว่ามีของดีรอแกอยู่นะที่ใต้ต้นไสรนั้นจะเป็นทรัพย์สมบัติหรือเปล่าแกก็ไม่ใช่คนโลภนะแต่ว่าการที่ฟันย่างนี้บ่อยๆนี่ทำให้แกเอใจขึ้นมาแล้วสุดท้ายแกก็อยากจะรู้ว่ามันคืออะไรแน่ถ้าเป็นทรัพย์สมบัติก็ดีเหมือนกันจะได้ไปทําบุญนะ สร้างโบสร้างวิหารแล้วแกก็เริ่มตั้งต้นเดินทา ง, งจากบ้านแกซึ่งอยู่นอกอำเภอนี่กว่าจะมาถึงตัวจังหวัดแล้วก็นั่งรถไฟมาถึงกรุงเทพนี่ก็พอสมควรทีเดียวนะใช้เวลามากรุงเทพแล้วนี้ก็หาทางนะมาอีสานมาชายภูมิซึ่งแกไม่เคยมา แ, แกก็ดันเดนมาจนถึงชายภูมิมาต่อมาแกล้งครอ ถามคนนะโรงเจมีไหมก็บอกว่ามีนะแล้วพอแกเห็นมันก็เหมือนกับที่แกเห็นในภาพความฝันเลยที่แกเห็นตอนหน้าแกนี่มันเหมือนกับภาพฝันที่แกได้ฝันวันแล้ววันเล่าต้นไซก็มีอยู่ด้วยแต่ที่มันแปลกไปคือว่าไอ้พอไปถึงที่จริงๆเนี่ยมันมียามเฝ้าอยู่ นะอยู่ข้างๆต้นไสแกก็ทำอะไรไม่ได้นะเพราะว่าจะไปขุดมันก็คงจะไม่สะดวกคนก็จะถามแกมาทำอะไรแกก็เลยนะ อ, อยู่แถวนั้นแหละจนค่ำก็ยังไม่สบโอกาสก็เลยนอนน ะ, ะแถวๆนั้นพอรุงขึ้นนะก็ยังไม่สบโอกาสนะเพราะว่ายามก็อยู่ผัดเปลี่ยนเวียนหน้ากันมา วันที่สองผ่านไปวันที่สามก็เหมือนเดิมสุดท้ายแ็คิดว่าเนี่ยคงไม่ได้เรื่องแล้วฝันของแกคงจะไม่มีอะไรมากนะไอ้ที่คิดว่ามันมีทรัพสมบัติอยู่ใต้ต้นไทรนี่มันคงเป็นสิ่งที่แกมโนไปเองแกก็เลยกลับบ้านดีกว่าแต่ก่อนจะกลับแกก็ไปคุยกับยามว่าเนี่ยแกไม่รู้เป็นอะไรฝันเห็นในต้นไทรต้นนี้แหละ หลายวันแล้วยังก็บอกเอ้ยเอาอะไรกับความฝันนี่จะบอกให้นะผมก็ฝันเหมือนกันนะผมฝันเห็นบ้านคนคนหนึ่งเนี่ยในฝันก็บอกว่าเป็นบ้านของคนที่ชื่อลุงหมานนะอยู่พัทลุงอำเภอเนี่ยอำเภอนี้อำเภอเนีออน้แล้วก็บอกด้ซ้ำาเวยนะว่าใ ต, ใต้เตียงนะขุดลงไปเนี่ยเจอขุมทรัพย์ ดิฉันผมเชื่อความฝันผมไม่ต้องลงไปถึงพัทลุงเลยเหรอเนะีย่ยจะไปเชื่อมันเลยนะลุงพองลุงมาได้ยนนี่แกก็เอดใจขึ้นมาทันทีแกก็เลยตัดสินใจกลับบ้านเลยกลับไปถึงบ้านนี่สิ่งที่แกทำอย่างแรกคือขุดนะใต้เตียงแกเราก็เจอสมบัติเนะี่ยสมบัติมหาสารเลย แกไม่เคยรู้เลยนะว่าสมบัตินี่มันอยู่แกนอนอยู่ทับสมบัตินี้มาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วมันอยู่ใกล้กแกนิดเดียวแต่แกไม่รู้จากการที่แกรู้เพราะอะไรนะเพราะการที่แกด้นด้นะไปถึงโนนแก้งครอจะว่าแกไปแบบศูนย์เปล่าก็ไม่เชิงนะเพราะถึงแม้แกไม่เจอทรัพย์สมบัติใต้ต้นทรายแต่ว่าการไปการดันต้นไปถึงนั้นทำให้แกรู้ว่าแท้จริงสมบัติมหาศาลนี่มันอยู่ ใกล้ตัวแก่ตลอดเวลานะถ้าไมเดินทางไปถึงนั่นก็ไม่พบก็ไม่รู้นะว่าทรัพย์สมบัติมหา ศ, าศาลนี่มันอยู่ใกล้แค่นี้เองนะพวกเราก็อาจจะมนกระลุงหมาญก็ได้นะคือต้องเดินทางด้านต้นมาถึงนี่เพียงเพื่อจะพบว่าโอ้แท้จริงไอ้ของดีมันอยู่กับเราตลอดเวลาอยู่แล้วนะไม่ต้องมาถึงนี่ก็ได้แต่การมาถึงนี่ก็ทําให้เรารู้ว่า ทำให้เราพบความจริงว่าเรามีของดีอของดีนั้นคืออะไรนะของดีนั่นคือความสุขความสงบที่มีอยู่แล้วในใจเราเพียงแต่เราไม่สนใจสิ่งที่จะรักษาความสุขความสงบในจิตใจของเราได้เนี่ยมันก็มีอยู่แล้วนะคือสติคือความรู้สึกตัว สติความรู้สึกตัวนี้อยู่กับเรามาตลอดแล้วเราจะไม่ได้เห็นค่าของมันเลยก็ได้เพราะเราก็รู้สึกว่าฉันก็รู้สึกตัวมาตลอดอยู่แล้วก็มีแต่คนบ้าหรือว่าคนหลับคนเมาหรือว่าคนที่ถูกลมยาสลบท่านั้นแหละที่ไม่รู้สึกตัวอันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดนะเพราะว่าถึงแม้จะไม่ใช่คนบ้าคนเมาหรือว่าสลบสไลด ก็ไม่ได้แปลว่ารู้สึกตัวในทางพุทธศาสนานะอาจจะรู้สึกตัวในทางการแพทย์นะแต่ว่าไม่ใช่รู้สึกตัวในทางพุทธศาสนาเพราะว่าถึงแม่ตาจะเปิดถึงแม่จะเดินเหินได้แต่ว่าก็า จ, จะอยู่กับอยู่ในความหลงจมอยู่ในความคิดเมื่อแล้วก็ตามที่เราจมอยู่ในความคิดนะถูกครอบด้วยอารมณ์ไม่ว่าอารมณ์ใดก็ตาม ไม่ใช่แต่อารมณ์เศร้าโกรธแม้แต่ความดีใจลิงโลดก็เรียกว่าไม่รู้สึกตัวได้นะพราตอนนั้นเนี่ยเราอาจเราลืมกายลืมใจนะเราทําอะไรไม่รู้ตัวแล้วคนเวลาดีใจนี่บางทีเอตโทรนะเอต โ, ตโรตะโกนเนี่ยโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่าทําอะไรไปนะเคยเห็นว่าบางทีเราจะเห็นเพื่อนของเรากนะ็าดีใจมาก แล้วก็ตะโกนนะเสียงรั่นบ้านนะพอเขาถูกหวยเขาถูกลอตเตอรีนะ่อาการลิงโลดอย่างนั้นเนี่ยนะมันก็เป็นความลืมตัวเหมือนกันนะบางทีพูดอะไรไปก็ไม่รู้สังงส่งจองสัญญาอะไรไปมากมายวา่าถ้าตัวลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแล้วนี่โอ้ยฉันจะแจกให้คนนั้นคนนี้พูดไปด้วยความดีใจเสร็จแล้วพอ กลับมารู้สึกตัวใหม่ก็เสียใจว่าเนี่ยเราพูดอะไรไปเนี่ยเราไปสัญญาว่าจะให้จะแบ่งรางวัลให้คนนั้นคนนี้พูดไปแล้วพูดไปด้วยความดีใจแล้วก็มาเสียใจอันนี้ก็ลืมตัวนะนับภาษาและความโกรธความเศร้าพอโกรธแล้วนี่มันก็ลืมตัวพูดอะไรไปก็ไม่รู้ทําลายข้าของเสร็จแล้วค่อยมาเสียใจ ว่าฉันทำอะไรลงไปบางทีทำร้ายคนที่ตัวเองรักด้วยคำพูดก็ดีด้วยมือไม้ก็ดนะีแล้วก็มาเสียใจอันนี้เรียกว่าไม่รู้สึกตัวนะไม่รู้ตัวเลือืมตัวแต่ถ้าเรามีสติมีสัม ป, ปชัญญะนะเราก็จะไม่ลืมตัวเราจะมีความสึกตัว แล้วมีความสึกตัวแล้วนี่เราจะรู้สึกโปร่งเบาความสงบและกุศลธรรมอื่นๆเช่นความเมตตากรุณามันก็จะตามมาเป็นขบวนนะคนเราพอ ม, มีความสึกตัวแล้วเนี่ยเหมือนกับว่ามันมีบรรยากาศที่เอื้อให้กุศลธรรมอื่นๆเนี่ยเกิดขึ้นนะ เหมือนกับว่าต้นไม้เนี่ยถ้าได้ปุ๋ยดีนะก็โตงอกงามแต่ว่าต้นไม้กปจะโตมันใช้เวลานะแต่ถ้าถ้าพูดถงกุศลรรธรรมนะเช่นความสงบนะความเมตตาศรัทธาหรือว่าความขยันหมั่นเพียรวิริยะเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายมากเมื่อเรามีสติไม่มีความรู้สึกตัว พรจอจาเนี่ยถึงยกให้สติเนี่ยเป็นหนึ่งในอินสีห้าหรือพละห้าพละห้าเนี่ยนะหมายถึงกำลังห้าประการได้แก่อะไรบ้างนะศรัทธากับปัญญาวิรยิยกรรสมาธิแล้วก็มีสติสตินี่จะเป็นเป็นตัวที่อยู่โดดโดดนะเพราะว่าช่วยทำให้นะ ศรัทธาและปัญญาเนี่ยมันได้สมดุลนะมีศรัทธามากนะมันก็งมงายได้นะหลงตัวลืมตนได้นะมีปัญญามากเนี่ยบางทีก็เชื่อมั่นตัวเองมากเกินไปไม่ฟังใครจนกระทั่งพาตัวเองเนี่ยลงคูลงเหวก็มีจะมีศรัทธาและปัญญาพอดีพอดีนะหรือว่า มีศรัทธาคอยทวงปัญญาและปัญญาคอยทวงศรัทธาได้เนี่ยมันก็ต้องมีสตินะสติเป็นตัวเชื่อมศรัทธาและปัญญาให้ให้พอดีพอดีกันเชื่อมวิริยะกับสมาธิให้พอดีพอดีกันมีวิริยะมากไปนี่ก็ฟุ้งซ่านง่ายนะแต่ถ้าสมาธิมากก็ขี้เกียจ ต, ต้องมีพอดีพอดีอันนี้ไม่เกี่ยวกับทางสายกลางนะทางสายกลางนี่อีกเรื่องหนึง่ง เรื่องความพอดีนี่ไม่เกี่ยวกับทางสายกลางนะความพอดีพอดีเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ต้องมีสตินะถ้า ม, มีสตินี่ก็ไปจมอยู่กับสมาธิมากก็มีนะจ น, นถ้าไม่อยากทํางานนะหรือว่าไม่มีสติแล้วก็ทําให้เกิดมันก็ทําให้เอาแต่ทำงานทํางานทํางานจนกระทั่งใจฟุง้งนะบ้างงานก็มีนะ พวกบ้างงานเนี่ยนอกจากจะสมาธิจะอ่อนแล้วก็เครียดแล้วดันเครียดง่ายแล้วเนี่ยบางทีร่างกายเจ็บป่วยด้วยต้องมีสติเตือ น, นะตอนนี้ได้เวลาพักแล้วตอนนี้เพลาอย่าบ้า ง, งานมากแม้กระทั่งกุศลธรรมเนี่ยนะเช่นศรัทธาปัญญาวิริยะสมาธิเนี่ยก็ยังต้องอาศัยสติเนี่ยเป็นตัวช่วยทวงเป็นตัวช่วยทำให้เกิดความสมดุล น, นะ น่าษาทเลยกับอกุศลธรรมนะที่มันเกิดขึ้นถ้าไม่เกิดขึ้นเมื่อไหร่สติเนี่ยก็จะช่วยนะช่วยอะจะเรียกว่าอะไรขับไล่ออกไปก็ได้โกรธกลัวฟัดผัวเวี้ยงแต่พอมีสติขึ้นมาได้นี่มันหายไปเลยนะหลายคนเนี่ยไม่เชื่อนะไม่เชื่อว่ามันจะเป็นไปนได้อย่างไรนะแต่พอปฏิบัติ ทดลองปฏิบัติเออใช่นะแปลกเหมือนกันนะมีเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็มีอาจารย์คนหนึ่งแกเป็นศาสตราจารย์เลยนะประสบความสเร็จมากจากการสอนหนังสือและการทำธุรกิจที่เมืองนอกและต่อหลังก็ได้รับเชิญให้มามาเป็นคณั บ, บดีที่ม อ, อ, อหัดใหญ่แกก็คิดว่าอายุมากแล้วนะกลับมาเมืองไทยดีกว่าม่อยู่ใกล้ครอบครัวแต่ว่ามา มาทำงานในในรัชการไทยเนี่ยแกไม่คุ้นเลยนะเพราะแกทำอยู่กับภาคเอกชนนะในอเมริกาเนี่ยซึ่งเขาธรรมะทแมงเข้มแข็งนะเอาจริงเอาจังมากมาเจอรัชการไทยเฉยแกก็เครียดเครียดมากๆตอนหลังก็เกิดสนใจทำมากขึ้นมานี่เมือ่อจมาไปบรรยายแล้วก็ได้มีโอกาสสนทนากัน แล้วก็ได้ติดต่อกันทางอีเมลแกก็เริ่มโน้มนะมาทางการเจริญสติที่แรกท create, นะําล้เครียดต่อมาก็แนะนําว่าทําสบายๆมีความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นมีอารมณ์ใดเกิดขึ้นก็แค่รู้มันเฉยๆนะแค่รู้แค่รู้พอแล้วนะไม่ต้องทําอะไรกับมันมากนะรู้บ้างไม่รู้บ้างหลงบ้างไม่หลงบ้างก็ไม่เป็นไร เออแกก็บอกว่าเออแปลกนะพอทำแล้วมันเบาแล้วก็ได้เห็นเลยนะว่าความคิดหรือว่าอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันมันมันเลือนหายไป <c oughs> เพียงแค่รู้ตัวหรือว่ามีสติเท่า น, นั้นเอง <c oughs> พวกเราถ้าทำถูกวิธีนะก็จะมีประสบการณ์เดียวกั น, น <c oughs> แล้วเราก็อาจจะถึงตรงนั้นเราจะพบว่าโอ้ไม่เคยคิดเลยนะว่าสติมันจะมีอนุภาพขนาดนี้ ไม่คิดเลยนะว่าความรู้สึกตัวนี่มันจะมีพลังขนาดนี้นะไปคิดว่าโอ้การคนเ้านี่นะถ้าหากว่ามีอิทธิฤทธิ ป, ปฏิหารหรือว่ามีสมาธิถึงขั้นชาญเนีนะ่ยมันคงจะวิเศษสติเนี่ยกับความรู้สึกตัวนี่เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นสิ่งที่คนมักจะมองข้ามเพราะคิดว่าเป็นยากปากคอ เือเป็นของตายคิดว่ามีอยู่แล้วนะความรู้สึกตัวฉันก็มีอยู่แล้วสติฉันก็มีอยู่แล้วนะฉันไม่บ้า น, นี่ก็แปลว่าฉันมีสติแล้วเนี่ยแต่สติที่เรามีมันมันไม่พอนะมันไม่พอในการที่จะพาจิตเราออกจากความทุกข์หรือไม่พอที่จะปกป้องรักษาใจให้เป็นสุขได้สติที่เรามีเนี่ยมันพอที่จะช่วยทําให้เราข้ามถนนแล้วไม่โดนรถชนหรือว่า ขับรถแล้วก็ไม่ไปชนใครหรือว่ามีสติสติที่เรามีก็พอเพียงที่จะทํางานทําการได้สติแปลความระลึกไดนะ้เวลาเราทํางานแล้วก็อาศัยความระลึกได้หลายอย่างเพียงแค่เราจะกลับกุฏิกลับที่พักนี่เราก็ต้องอาศัยความระลึกได้คือจําได้ว่านะกุฏิหรือที่พักเนี่ยหมายเลขอะไรอยู่ตรงไหนหรือว่าจะหยิบ รองเท้านี่เราก็จําได้ว่ารองเท้าของเราคู่ไหนหรือว่าวางไว้ตรงไหนอันนี้ก็เป็นงานของสตินะสติความหมายหนึ่งคุณสมบัตินึงคือความระลึกได้จําได้แต่ไม่ใช่จําได้หมายรู้นะจําได้หมารู้นั่นสัญญาแต่ว่าในตอนนี้ก็อย่าเพิ่งไปอ่สนใจมากกับนิยามแค่ให้รู้ว่าในชีวิตประจํำวัำนเราใส่สติในการทํางานอยู่แล้วในการดําเนินชีวิตอยู่แล้วนะ แต่ว่ามันก็พอเพียงกับการดำเนินชีวิตเท่านั้นแหละแต่ถ้าเกิดมีอะไรมากระทบขึ้นมาเช่นรูปตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงที่ไม่น่าพอใจหรือว่าที่ทำความทุกข์ให้กับเราเราก็จะงดงิดขึ้นมาทันทีนะหรือว่านึกถึงเหตุการณ์ที่เจ็บปวดรวดร้าวในอดีตนะ พอเพียงแค่นึกถึงเนี่ยก็เกิดความเศร้าใจเกิดความเสียใจเกิดความโกรธขึ้นมาคนเราเนี่ยทุกข์เพราะความคิดนะอันนี้หมายถึงความทุกข์ใจนะทุกข์กายเนี่ยไม่ค่อยทุกข์กันเท่าไหร่ล้วยกเว้นมาจะปวดเมื่อยบ้างอย่างตอนที่นั่งขณะ น, นี้หรือว่าจะมียุงกัดนะมันก็ทุกข์เท่านั้นทุกข์แค่นั้นแหละแต่ว่าที่เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตก็คือความทุกข์ใจและที่ทุกข์ใจเนี่ยมันเพราะอะไรเพราะความคิด คิดไปไหนคิดไปเรื่องราวยอ้อนเราลึกหนึ่งถึงเรื่องราวในอดีตผ่านไปยี่สิบปีแล้วนึกถึงทีไรก็ขุ่นเคืองหรือว่าความดันขึ้นอีกอันหนึ่งที่ทุกข์ก็คือทุกข์เพราะไปกังวลถึงสิ่งที่มาไม่ถึงอันนี้เป็นมากนะเวลาทางานเนี่ยทางานแล้วเครียดเนี่ยไอ้เครียดนี่ไม่ใช่เพราะงานมันยากนะไม่ใช่เพราะเนื้องานมันลำบากนะ จะเครียดเพราะว่าใจเป็นนึกถึงว่าเมื่อไหร่จะเสร็จสักทีเมื่อไหร่จะเสร็จสักทีหรือไปนึกถึงงานการต่างๆมากมายที่ยังกองยังคาอยู่ทําชิ้นนี้แต่ไม่นึกถึงอีกสิบชิ้นที่รอยอยู่นี่ก็อึ้งแล้วนะหนักใจแล้วนะบางทีแค่นึกก็อารมณ์เสียแล้วมันมากมายอย่างยี่เชหรือไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเนไอค้คําว่าไม่ไหวไม่ไหวเนี่ยมันไม่ใช่เกิดขึ้นจากงานที่กําลังทําเฉพาะหน้าที่มันยากเนี่ แต่มันคิดไปถึงอะไรตออะไรที่มันกองอยู่ข้างหน้าหรือรอวันสะสางวันทีก็เครียดกับเครียดกับหนี้สินนะเครียดกับหนี้สินนะนี่กล้สินเดือนแล้วนี่จะมีเงินจ่ายไหมบางทีก็นึกถึงนี่ที่มันเป็นล้านหลายล้านสิบล้านนะก็กุ้มใจแต่ ว, ว่าเราจะมีปัญญาจ่ายหรือเปล่านะทั้งที่ การที่จะจ่ายนี้ให้หมดเนี่ยก็ไม่ใช่แปลว่าต้องจ่ายให้ให้ครบให้เสร็จนะในวันนี้วันพรุ่งก็มีเวลาให้เราในการที่จะจ่ายหนะ้าปีบ้างสิบปีบ้างหรือบางทีผ่อนรถนะสามปีสีป่ปีแต่เพียงแค่คิดว่าโอ ย, อยู่ต้องสามปีสีป่ปีเราต้องเราจะไหวเลิกแค่นี้ก็ท้อแล้วเหนื่อยแล้วนี่เห็นไหว่าทุกเนี่ยมันเพราะความคิดทั้งนั้นถ้าเกิดไม่คิดก็ไม่ทุกใช่ไหม อย่างเรานั่งอยู่นี่ถ้าเราไม่คิดถึงเรื่องที่ผ่านไปแล้วหรือว่าภาระงานการที่รออยู่ข้างหน้าเราก็ไม่ทุกข์ถ้าเราไม่ได้นึกถึงพ่อแม่ที่กำลังเจ็บป่วยอยู่เราก็ไม่ทุกข์ไม่นึกถึงลูกนะที่ไม่นึกถึงลูกที่อา่าไม่มีใครดูแลอยู่ที่บ้านเราก็ไม่ทุกข์แต่พอนึกปุ๊บนี่ทุกข์เลยเกิดความกังวลขึ้นมาแล้วก็จมอยู่ในความทุกข์ในความกังวล น, นั้นจะถามว่ากังวลไปแล้วช่วยอะไรได้ไหม ก็ช่วยไม่ได้เพราะตัวเราอยู่นี่นะจะดีกว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมาถึงนี่แล้วเราก็ชาร์จแบตเตอรี่เต็มทีนะ่พอเราชาร์จแบตเตอรี่เต็มที่เราได้พักนะทั้งกายทั้งใจมีสติมีความรู้สึกตัวมากขึ้นนะพอเรากลับไปบ้านเราก็จะมีความพร้อมในการช่วยคนที่เราลักในการดูแลนะคนที่เราเคารพหรือว่าในการทำงานนะที่มันค้างคายอยู่ได้ กังวลไปก็ไม่มีประโยชน์นะแต่ก็อดกังวลไม่ได้เพราะอะไรเพราะลืมตัวยกมือสร้างจังหวะไปนะก็คิดนะนะถึงงานการต่างๆคิดโน้นคิดนี้เสร็จแล้วก็ทุกเพราะความคิดของเราที่จริงเนี่ยจะว่าทุกเพราะความคิดก็ไม่ไมเชิงนะต้องเรียกว่าทุกเพราะไม่เห็นความคิดมากกว่าคือถ้า มีความคิดเกิดขึ้นนึกถึงอดีตก็ตามนึกถึงอานาคตก็ตามหรือว่ามีความห่วงมีความกังวลเกิดขึ้นก็ตามถ้าเกิดรู้ทันเห็นมันนะมันก็ทำอะไรไม่ได้นะเห็นความกังวลเห็นความกลวัวเห็นความวิตกก็รู้อยู่ว่ามันเกิดขึ้นในใจแต่มันทำอะไรแล้วไม่ได้เพราะอะไรเพราะมีสติสติมันช่วยถอนใจดึงจิตเราออกมาเหมือนกับว่ามีกองไฟอยู่กองหนึ่งแต่กอง น, นี้ก็จม ถูกแต่ก่อนนี้ก็อยู่กลางกองไฟนั่นแหละนะถูกไฟมันเผาแต่ตอนหลังนี่นะเราพอมีสติ ก, ก็เหมาอนว่าเราออกมานอกกองไฟมายืนดูกองไฟอยู่ยห่างๆไฟยังมีอยู่แต่ว่าเราไม่รู้สึกร้อนละไม่เหมือนตอนที่เราอยู่กลางกองไฟรนะ้อนมากปวดมากเจ็บมากแสบมากแต่ตอนนี้ เราออกมายืนดูกองไฟกองไฟยังมีอยู่ยังไม่ดับนะแต่ว่าเราไม่ทุกข์แล้วเวลามีความปวดความเมื่อยเนี่ยมันจะคล้ายๆแบบนั้นนะคือถ้าไม่มีสติเมื่อไหร่ก็ไปเป็นผู้ปวดผู้เมื่อยนะเหมือนกับว่าจมอยู่ในความปวดความเมื่อยแต่พอมีสติเห็นนะเห็นเวทนาหรือว่ามีสติรู้ใจว่าใจมันไปนปักติอยู่ความปวดแนละ้วถอนใจออกมาความปวดยังมีอยู่นะแต่เป็นความปวด กายใจไม่ได้ปวดอะไรเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นผู้ดูเฉยๆดูห่างๆอันนี้แหละคือสิ่งที่เราสามารถจะเรียนรู้และจะฝึกได้นะจากการมาเจริญสติแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยนะอย่าเพิ่งไปพยายามที่จะรู้ทันความคิดหรือพยายามที่จะเห็นความคิดน ะ, ะว่าพวกเราถ้าเป็นผู้ฝึกใหม่เนี่ย ถ้จะไปพยายามไปดูความคิดเนี่ยก็มักจะเสร็จมันทุกทีนะโดนมันลากลู่ถูกกางไปเมื่อคนที่พยายามเลิกเหล้าแล้วบอกว่าเนี่ยฉันจะไม่กินเหล้านะแต่ขอดูเพื่อนกินเหล้าได้ไหมนะขอนั่งดูเพื่อนกินเหล้าในวงเดียวกันได้ไหมเราคิดว่าขาหลอดนะนะก็โดนเพื่อนเนี่ยนะชักจูงจนกินเหล้าจนได้หรือว่า แพ้ต่อกินเลสนะเห็นเพื่อนกินเหล้าก็อยากกินบ้างอยากจะร่วมสมาคมกับเขาทั้งที่ตั้งใจว่าจะไม่กินเหล้าแค่จะขอดูนะขอนั่งเป็นเพื่อนนะแตเสร็จท้ายก็สุดท้ายก็เมาไปกับเขาด้วยแล้วผู้ปฏิบัติฝึกใหม่เนี่ยนะ ท, ทีแรกจะไปดูความคิดเนี่ยมันดูไม่ได้หรอกดูทีไรมันความคิดมันลากไปทุกทีมันล่อมันหลอกว่า ม, มันฉลาดมากเลยนะมันล่อหลอกให้เราเนี่ยจมหายเข้าไปในความคิดหรือว่า ถูกมันลากลู่ถู ก, กังไปไม่ว่าเรื่องอดีตเรื่องอนาคตก็ตามไม่ว่าเรื่องเที่ยวหรือเรื่องงานการก็ตามนะงั้นใหม่ๆเนี่ยนะอย่าเพิ่งไปสนใจความคิดมันจะคิดหลายแปลก็ช่างมันไม่สนใจแม้กระทั่งถามว่าคิดอะไรเมื่อกี้นี้หลายคนจะพบว่าเนี่ยคิดไปสารภาพเลยคิดไปหลายเรื่องพอมาลู่ตัวเนี่ยก็ลืมไปแล้วว่าคิดอะไรทั้งๆนี้ทั้งๆ ท, ที่เมื่อกี้นี้ยังคิดอย่างเมามันอยู่เลย พอรู้สึกตัวขึ้นมาความคิดมันหายไปสงสัยวาเมื่อกี้คิดอะไรพยายามคิดเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกว่าคิดอะไรอย่าไปอย่าไปพยายามย้อนทวนทบทวนนะว่าคิดอะไรทิ้งไปเลยนะทิ้งไปเลยอย่าไปสนใจหม่แม้ก็ต้องหันหลังให้มันก่อนนอย่าไปชำเลืองมันได้ซ้ำนะเพราะชำเลืองมันเนี่ยเดี๋ยวมันมันก็หลอกล่อเราไปเหมือนกับคี้เหล้าที่พยายามเลิกเหล้าแต่ชำเลืองเพื่อนกินเหล้าเนี่ยเดี๋ยวก็ พ่ายแพ้ต่อกิเลสหรือว่าโดนมันหลอกไปหม่ๆก็ให้แค่รู้กายก็พอรู้กายคือรู้ว่ากายเคลื่อนไหวรู้ว่ากํลาลังยกมือรู้ว่ากํลาลังเดินนะหม่ๆเนี่ยเดินไปก็ตามสร้างจังหวะก็ตามไม่รู้นะหลายช่วงก็จะไม่รู้ว่ากํลาลังยกมือกํลาลังสร้างจังหวะพอใจมันลอยอันนี้เรียกว่าลืมกายและพอใจถูกอารมณ์ครอบงําจนทุกข์จนวิตกจน จน ก, งกนังวลนันเรียกว่าลืมใจหรือว่าปล่อยให้จิตเนี่ยไปจมอยู่กับรูปรสกลิ่นเสียงที่อยู่ข้างนอกนะอันนี้ก็ลืมใจเหมือนกันนะปล่อยใจไปจมอยู่กับเสียงที่ได้ยินเสียงรถเสียงมอเตอร์ไซค์เสียงพูดคุยหรือว่าเสียงนกหรือว่าไปจดจ่ออยู่กับคนที่เขากําลังคุยกันเล่นกันเนี่ย ใจไปนโน่แล้วนี่ยังไม่รู้อีกนะอันนี้เร่อลืมใจนะหรือว่าจมอยู่ในอารมณ์นะเมามันอยู่กับความคิดนี่ก็เรียกว่าลืมใจได้เหมือนกันนะนี่เราไม่มีสติเพราะสติคือคำเรา ล, ลึกได้ไม่มีสติคือว่าลืมไม่ใช่ลืมของไม่ใช่ลืมรถไม่ใช่ลืมเงินอันนั้นมันของนอกตัวนะสิ่งที่มันเป็นปัญหาของคนส่วนใหญ่ก็คือว่าลืมกายลืมใจหรือลืมตัว ใหม่ๆนี่ก็เอาแค่ว่าให้รู้กายก่อนนะรู้ว่ากายกําลังเคลื่อนไหวรือว่ามือกําลังยกเท้ากําลังเดินหรือว่าตัวกําลังเคลื่อนนะอันนี้รวมไปถึงเวลาทําอิเลีย บ, บทอื่นๆด้วยนะเช่นอาบน้ําล้างจานซักผ้ามือมันเคลื่อนขยือนขยับก็รู้นะใหม่ๆก็ต้องเอากายเป็นฐานนะเอากายเนี่ยเป็นที่พักพิงของใจ ใจถ้าไม่มีอะไรเป็นฐานไม่มีที่พักพิงมันก็เตลดเิดเปิดเปิงนะมันเตลดเิดเปิดเปิงได้ง่ายมากถ้าไม่มีอะไรที่เป็นที่เกาะที่พิงนะแต่ก็อย่าไปถึงกลับไปจดจ้องจดจอหรือไปเพ่งนะบางคนก็ไปพยายามบังคับจิตให้ไปเพ่งอยู่กับมือบ้างอยู่ที่เท้าบ้างอันนี้เนี่ยมันคล้ายๆกับการไปไปเอาเชือกไปมัดตัวเองไว้กับเสานะ พอเชื่อไปมัดตัวกับเสาเนี่ยนะเราก็คงไม่ชอบแ่ะก็ทุงพยายามที่จะสลัดออกมาจิตนี่มันไม่ชอบนะไม่ชอบให้ไขไปไปไปผูกเป็นมัดมันเอาไว้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจิตเรานี่มันรักอิสระนะถ้าไปบังคับไปไปผูกเป็นมัดจิตเอาไว้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยการกระทาที่เรียกว่าเพ่งเนี่ยมันจะขัดขือมันจะต่อสู้นะ มันก็คงเหมือนกับหมานะถ้าเป็นมัดไปล่ามเข้ า, เาไวเนี่ยเขาก็จะจะพยายามสะบัดพยายามที่จะดึงโซ่ให้ขาดถ้าเกิดว่าทําไม่ได้เขาก็จะหงุดหงิดเขาก็จะเป็นหมาที่ตุนะ่าจะเป็นหมาเล็กหมาน้อยก็ตามจิตเราถ้าไปบังคับอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นจิตที่พยศเป็นจิตที่ก้าวร้าวจะแสดงอาการเครียดหงุดหงิดไม่พอใจขึ้นมา อนักปฏิบัติธรรมที่เวลาทำแล้วเครียดหมุดเย็ดนี่แสดงว่าสันนิษฐานว่าไปบังคับจิตนะไปผูกจิตเอาไว้ไปไปล่ามจิตเอาไว้กับกับกายกับมือกับเท้านะให้เอากายเป็นฐานหรือเป็นบ้านนะแต่อย่าให้กายเป็นคุกขังจิตบ้านกับคุกมันต่างกันนะบ้านเนี่ยเราเวลาเราอยู่บ้านเนี่ยเราออกจากบ้านเมื่ อ, อไหร่ก็ได้แต่คุกเนี่ยนะ ออกไม่ได้นะใครติดคุกเนี่ยต้องพยายามแหกคุกจิตเราก็เหมือนกันนะถ้าเอากายเป็นคุกนะมันก็จะพยายามแหกออกมาแต่ถ้าเรากายเป็นบ้านอนุญาตให้มันออกไปได้แต่ออกไปแล้วเนี่ยให้กลับมานะที่ประตูวัดเนี่ยนะจะมีข้อความเขียนว่าเปิดได้ปิดด้วยนะไม่ไม่ไม่ว่านะใครเวลาปิดประตูแล้วนี่ใครจะเปิด อ น, นุญาตให้เปิดได้แต่ให้ปิดด้วยการปฏิบัติแบบนี้ก็เหมือนกันนะอ น, นุญาตให้ใจเราฟุง้งใจเราใจเราเผลอคิดไปได้นะแต่ว่าให้รู้ตัวด้วยให้รู้ทันให้รู้ว่าใจมันเผลอไปแล้วนหะลงได้นะแต่ก็ให้รู้ด้วยนะหรือแม้แต่จะโกรธได้นะจะโกรธก็โกรธได้นะก็ให้รู้ตัวด้วยนะไม่ไม่ไม่ใช่ว่าห้ามโกรธไม่ใช่ว่าห้ามคิด ไม่ใช่ห้ามฟุ้งนะแต่ก็ไม่ใช่ไปหาเรื่องให้มันฟุ้งไม่ใช่ไปหาเรื่องให้มันโกรธไม่ใช่ไปหาเรื่องให้มันเศร้าไม่ใช่ไม่ทำทั้งสองอย่างนะคือไม่ไม่ไม่สนับสนุนให้มันฟุ้งหรือหาเรื่องให้มันฟุ้งแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ได้ห้ามไม่ได้บังคับว่าห้ามคิดห้ามฟุ้งฟุ้งได้แต่ว่าให้รู้ตัวหรือว่าให้รู้ทัน แล้วกลับมาที่กายนะกลับมาที่กายไม่ต้องสนใจว่าเมื่อกี้คิดอะไรทําไมถึงคิดนะเพราะว่าถ้าเผลอไปไล่ลําดับเผลอไปลําดับหรือทบทวนเนี่ยเดี๋ยวก็โดนมันดูดจมหายเข้าไปในความคิดหายเข้าไปในอารมณ์ท่านหลังให้มันเลยนะแล้วกลับกลับมานะเอากายเป็นฐานเอากลายเป็นบ้านใหม่ใหม่มันก็จะรู้น้อยกว่าหลงนะ รู้น้อยก็หลงแต่ต่อไปการรู้ตัวก็จะถีขถ่ขึ้นถี่ขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นถ้าเรารู้จักวางใจเป็นนะคืออย่างที่หลวงพ่อเทียนท่านเคยมักจะสอนนะลูกศิษย์นะว่าเล่นเล่นทาเล่นเล่นแต่ทําจริงๆทําเล่นเล่นก็คือว่าไม่ต้องไม่ต้องทด้วยอาการหน้าดำขําเคร่งนะไม่ใช่ว่าฟุ้งไม่ได้ มันจะฟุ้งไปก็ไม่โมโหตัวเองไม่หงุดหงิดตัวเองเวลาเราทําอะไรเล่นๆ เ, เนี่ยเราก็ไม่ได้หวังผลอะไรมากนะเวลาเตะเตะลูกโทษเนี่ยถ้าเตะเล่นๆเนี่ยมักจะเข้าเกือบร้อยเปอร์ซแต่ถ้าเตะลูกโทษเตะจริงๆนี่นะมันบางทีห้าสิเปอร์ซนต์ไม่รู้จะเข้าหรือเปล่านะนะพวกแชมป์โลกดาราประเภทซูเปอร์สตาร์นี่เตะลูกโทษโดยเพราะนัดสำคัญสาคัญเนี่ยไม่เข้าก็เยอะนะ แต่ว่าทัดเตเล่นๆตอนซ้อมนี่นะฮะเข้าง่ายเหลือเกินเข้าเกือบจะร้อยทั้งร้อยเวลาเจริญสติก็ทําเล่นๆ น, นะมันจะฟุง้งบ้างมันจะเพ้อบ้างไม่เป็นไรแต่ทําจริงๆคือทำนะตลอดทั้งวันเลยนะตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาก็เอาทําเลยแต่ไม่ใช่ทําในลักษณะของการสร้างจังหวะเดินจงกรมเท่านั้นแต่ว่าให้มีความสึกตัวนะมีความสึกตัวอย่างที่พระเจ้าตัดว่าให้มีความทําความสึกตัวในเวลา มอนไปข้างหน้าเหลียวไปข้างหลังนะเดินหน้าถอยหลังคู่เหยียดเคลื่อนไหวนะดื่มกินอุจลาปัสวะนะพูดหรือนิ่งนะทรงนะทรงจีวรหรือใส่เสื้อผ้านะหรือว่าสะพายบาตรเรียอบทเล็กๆในน้อยเหล่านี้เนี่ยอันนี้ท่านสอนพระนะมันใช้เป็นโอกาสในการทําความสึกตัวได้ พวกเราก็เหมือนกันเป็นคาราวาเป็นครรหัสก็ตั้งแต่เช้าขึ้นมานะเราอาบน้ําเราล้างหน้าเราถูฟันก็ให้มีความรู้สึกตัวสังเกตว่าใจเรามันจะไปไหนนะเวลาถูฟันใจก็ลอยไปโน่นไปนี่อันนี้เรียกว่าลืมนะลืมกายแล้วนะก็ไม่เป็นไรกลับมาเผลอบ้างลูกบ้างไม่เป็นไรนะทําไปนะทําไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆนะแต่ทําทั้งวันนะ ทำทั้งวันเนี่ยถ้าทำแบบนี้ไม่เหนื่อยนะแต่ถ้าไปเพ่งไปจ้องความคิดมาอะไรมันจะเหนื่อยสองสามชั่วโมงก็แน่นหน้าอกแล้วให้อสให้ความเครียดมันสอนเรานะว่าเราทําผิดเราวางใจผิดให้ความแน่นหน้าอกนะความหุดหิดมันสอนเราว่าเรากำลังทำผิดวางใจไม่ถูกให้พวกนี้มีประโยชน์นะความเครียดความความเผลอไอ้ความเครียดความแน่นความหุดหิดเนี่ย เป็นสัญญาณเตือนว่าเราทำผิดแล้วก็พยายามปรับใจะให้ดีซะผัดปรั บ, รบใจะให้หย่อนลงมาหน่อยนะก็จะดีขึ้นเอาคำนี้ก็พูดกัน่อนนี้นะเอากราบระ